301ห้องพีเฮียน ส, สัมผัสสยองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากทางบ้านโดยคุณเมลอนจุยนะครับเธอได้เล่าว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อเก้าปีก่อน ตอนนั้นเราตัดสินใจไปเรียนมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งอยู่แถวงามวงวานถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดแต่มหาวิทยาลัยจะอยู่ไกลจากบ้านมากเลยตัดสินใจว่าจะย้ายออกไปอยู่หอแถวนั้นน่าจะดีกว่าแต่ตอนนั้นก็ใกล้จะเปิดเรียนแล้วจึงทำให้หาหอพักยากมากเราเดินหาไปเรื่อยๆจนไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่ง ที่มีกระดาษแปดติดตามเสาหน้าร้านว่ามีห้องว่างให้เช่าเราเลยถามว่าพี่คะยมีห้องว่างเหลือไหมคะพี่เขาตอบว่าห้องว่างเหรอยังมีอยู่ห้องหนึ่งจะเดินขึ้นไปดูไหมเราดีใจมากในที่สุดก็หาหอพักได้ลักษณะของหอนั้นเป็นตึกอาคารวานิสีช่ชั้นชั้นลอยก็ทำเป็นห้องแบ่งให้เช่าเหมือนกัน ชั้นละสามห้องห้องที่ว่างอยู่เป็นห้องส0มหนึ่งห้องนี้อยู่ฝั่งติดถนนเราชอบมากเพราะคิดว่าเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวห้องแบบนี้น่าจะดีกว่าพอเปิดประตูเข้าไปภายในห้องก็รู้สึกได้ถึงกลิ่นที่อับมากรู้เลยว่าน่าจะไม่มีคนมาอยู่นานแล้วเมื่อมองเข้าไปก็จะเจอห้องนอนเลยห้องกว้าง ตู้เตียงแอมีให้หมดเราจึงถามราคาค่าเช่าห้องไปว่าราคาเท่าไหร่พี่เขาก็ตอบว่าเดือนละสองพันบาทเท่านั้นเองไม่รวมค่าน้ำค่าไฟมัดจำล่วงหน้าหนึ่งเดือนก็เข้าอยู่ได้เลยเราคิดว่ามันถูกนะ 5,000 ันบาทก็เข้าอยู่ได้เลยจึงตกลงเช่าทำสัญญาแล้วอีกสองวันเราก็ย้ายของเข้ามาอยู่ พี่เจ้าของใจดีมากมาช่วยเรายกของในใจตอนนั้นคิดว่าดีจังมาอยู่แบบนี้ก็ดีเจ้าของห อ, อก็มีน้ำใจด้วยเราเข้าห้องมาก็จัดของเข้าที่แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขเวลาผ่านไปได้หนึ่งอาทิตย์วันนั้นหลังจะเรียนเสร็จเราก็แวะไปนั่งเล่นหอเพื่อนแต่ก็ไม่ดึกมากแล้วเราก็กลับหอ ที่ตรงข้ามหอพักของเราจะมีร้านคาราโอเกะอยู่สองร้านติดกันเราเป็นคนง่ายๆจึงเข้ากับคนได้ไม่ยากนักก็เลยรู้จักกับคนที่ทำงานทั้งสองร้านนั้นเมื่อเขาเห็นเราเขาก็เรียกเราก็เดินเข้าไปหาคิดว่าคงจะทักทายตามปกติพี่เขาถามเราว่าน้องมีญาติมาอยู่ได้หรอเราก็งงนิดๆบอกไปว่า าอยู่คนเดียวนะแต่เขาก็ไม่เชื่อบอกว่าก็ไม่กี่พี่ยังเห็นมีคนเดินไปเดินมาอยู่ในห้องอยู่เลยแล้วก็ออกมานั่งเล่นตรงระเบียงเราแปลกใจมากจึงถามพี่เขาไปว่าพี่จำผิดชานหรือเปล่าหนูอยู่ชั้นสามนะไม่ผิดพี่เห็นเราทุกวันก็ห้องเรานั่นแหละชั้นสามแล้วพี่เขาก็ชี้ไป ส่วนตัวเราเองไม่กลัวผีอยู่แล้วเราไม่เคยเจอและไม่เชื่อด้วยคิดว่าพี่เขาคงออมเราเล่นก็เลยบอกไปว่าไม่มีหรอกหนูอยู่คนเดียวอย่ามาออมหนูเลยหนูไม่กลัวหรอกพี่เขาก็เงียบไปแล้วก็ยิม้มเราก็เลยขอตัวขึ้นห้องอาบน้าทำทุกอย่างตามปกติวันนั้นแฟนเรามานอนที่ห้องด้วย เมื่อมาถึงเขาก็บอกว่าเออเข้าท่านี่ห้องกว้างดีเนาะถูกด้วยเรายังคุยกับแฟนอยู่เลยว่าโชคดีที่ได้เช่าที่นี่ห้องก็ดีราคาถูกแถมเจ้าของก็ยังใจดีต่างหากพอถึงเวลาเข้านอนก็ต่างคนต่างนอนขณะที่เรากําลังเคลิมค้มจะหลับก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีลมมากระทบ ตอนนั้นคิดว่าคงเป็นลมจากแอร์สักผักก็รู้สึกเหมือนกับมีคนกำลังหายใจรดที่ต้นคอเราสะดุ้งตกใจรีบลืมตาแล้วหันไปดูก็เห็นแฟนนอนหันหลังอยู่เราคิดว่าคงจะคิดมากไปเองก็เลยนอนต่อแต่ระยะเวลาเพียงไม่นานแฟนของเราก็ค่อยๆนอนเบียดใกล้เข้ามาเรื่อยๆ เ, เราจึงถามว่าเบียดเข้ามาทาไม จะตกเตียงอยู่แล้วเขาก็บอกว่ารู้สึกเหมือนมีคนหายใจใส่ที่หูของเขาเราบอกไปว่าเมื่อกี้ก็รู้สึกเหมือนกันแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรจึงบอกว่าอย่าคิดมากแล้วให้นอนต่อขณะที่เรากำลังเคลิ้มจะหลับอีกครั้งก็ต้องสะดุ้งตกใจขึ้นเพราะแฟนเราเขาเริ่มเบียดมามากขึ้นกว่าเดิมนด้ความง่วง เราก็เลยเสียอารมณ์เล็กน้อยเลยดูแฟนไปว่าอย่ามาไน่ในอะไรแบบนี้สิคนจะนอนพอเราพูดจบก็ได้ยินเสียงมันเหมือนกับคนหอนหายใจเรากับแฟนหันมามองหน้ากันพยักหน้าแล้วคว้าหมอนกับผ้าห่ม วิ่งออกไปนอกห้องไปขอนอนหอเพื่อนที่อยู่ติดติดกันแต่เราก็ยังไม่ปักใจเชื่อส่วนแฟนมั่นใจว่าใช่แน่ๆ แ, แล้วเพื่อนของเราก็ถามว่าเจออะไรมาเราตอบกลับไปว่าไม่ได้เจออะไรได้ยินแค่เสียงเท่านั้นเพื่อนเห็นอาการของแฟนเราแปล ก, ปลกๆก็เลยหันไปถามว่าจเจป็นอะไรททำไมตัวส่านอย่างนั้น จเรียบตอบกลับทันทีก็เจอผีนะสิย้ายออกเลยนะไม่ไหวแล้วแบบนี้เช้าวันต่อมาเราก็ไปคุยกับพี่เจ้าของว่าเราขอย้ายออกไปอยู่หอเพื่อนที่อยู่ข้างๆพี่เขาก็บอกว่าค่ามัดจำจะไม่ได้คืนเพราะเราอยู่ไม่ครบตามสัญญาเราก็บอกไม่เป็นไรพี่เขาก็ไม่พูดอะไรต่อ ตอนนั้นเราสองจิตสองใจมากยากจะถามว่าห้องนั้นมันเคยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ก็กลัวว่าเขาจะไม่บอกหรือจะหา ว, า, าว่าเราบ้าคิดไปเองเวลาผ่านไปไม่ถึงสองเดือนก็มีน้องคนหนึ่งเป็นสาวประเภทสองย้ายเข้ามาอยู่ที่รู้ก็เพราะว่าตอนนั้นเรานั่งกินขนมกันอยู่ด้านล่างหอเห็นน้องเขาเดินผ่านมา แต่ไม่คุ้นหน้ามาก่อนก็เลยถามน้องเขาว่าอยู่ห้องไหนน้องตอบว่าอยู่ห้อง301หนึ่งเราก็ได้แต่พูดตอบรับไปแล้วไม่พูดอะไรต่อแล้วเย็นวันหนึ่งเราก็เห็นน้องคนนั้นกับกลุ่มเพื่อนๆพือนากันเดินไปคุยกับพี่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเจ้าของตึกนั้นซึ่งเรานั่งกินขนมที่ร้านนมที่อยู่ใกล้ๆนั้นเป็นประจำ ก็ได้ยินน้องเขาโวยวายประมาณว่าที่ห้องนั้นมีผีทําไมถึงยังเปิดให้คนมาเช่าอยู่ได้พวกเขาก็เถียงกันใหญ่สักพักพี่เจ้าของก็หันมาชี้เราบอกว่าน้องคนนี้เขาก็อยู่ไม่เห็นจะมีอะไรเลยไปถามเขาสิแล้วกลุ่มของน้องพวกนั้นก็มาถามเราจริงๆพี่พี่เคยอยู่ห้องนี้เหรอใช่พี่เคยอยู่เหรอ พอนี้ห้องสามศนหะนึ่งนใช่แล้วพี่เจออะไรไหมไม่เคยนะแต่ได้ยินเสียงอาจจะเป็นห้องคนข้างๆก็ได้แล้วพี่ย้ายออกมาทำไมถ้าไม่มีอะไรพี่ออกมาอยู่กับเพื่อนแล้วน้องมีอะไรหรือเปล่าเจออะไรเหรอก็เจอผีนะสิน่ากลัวมากเลยแล้วน้องเขาก็เล่าว่าเมื่อคืน ตอนที่กำลังจับกลุ่มเล่นไพ่กันอยู่ๆก็ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาว่ากรุ๊ปเกียดพวกมึงจริงๆแต่พวกเราก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าน่าจะเป็นเสียงของห้องค้างๆเพราะตอนนั้นที่เล่นไพ่กันอยู่นั้นค่อนข้างเสียงดังมากหลังจากิดเล่นต่อสักพักก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านออกไปทางระเบียง ก็มองตามไปแล้วจู่ๆเธอคนนั้นก็หายไปพวกนางตกใจมากพากันวิ่งเข้าไปหลบอยู่ในห้องน้ำกันหมดแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ยังตามมาเคาะประตูห้องน้ำอีกๆๆๆๆน้องบอกว่าน้องเขากลัวมากไม่อยากอยู่แล้วและจะเอาเงินคืนแต่พี่เจ้าของตึกไม่ยอมก็เลยทะเลาะ ก, กันสุดท้ายแล้ว น้องเขาก็ได้เงินคืนเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเวลาผ่านไปเป็นปีก็ไม่มีใครมาเช่าห้องนั้นอยู่เลยจนเราขึ้นชั้นปีสองแต่ก็ยังอยู่ที่เดิมข้างๆหอนั่นแหละผ่านไปอีกไม่นานนักก็มีน้องผู้ชายเด็กใต้คนหนึ่งย้ายเข้ามาอยู่วันนั้นเขาลงมานั่งร้านนมซึ่งเรากับเพื่อนมักจะไปนั่งกันเป็นประจำอยู่แล้ว ก็เลยคุยกันคุยกันไปเรื่อยเปยื่อยเพื่อนเราอยากรู้จึงถามน้องเขาว่าอยู่ห้องไหนน้องเขาบอกว่าอยู่ห้อง302สองเรากับเพื่อนหันมามองหน้ากันแล้วหัวเราะคิดในใจว่าโชคดีรอดไปเมื่อน้องเห็นเราหัวเราะก็ถามกลับว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่เราก็บอกว่าแค่ถามเท่านั้นเอง ไม่มีอะไรหรอกในใจลึกๆส่วนหนึ่งแล้วเราก็สงสารพี่เจ้าของตึกด้วยเลยไม่อยากพูดอะไรมากแล้วคืนหนึ่งเราก็เห็นคนกำลังยกข้าวของลงมาจากตึกเออาเสียงดังจึงเดินเข้าไปดูแล้วก็เจอพี่เจ้าของตึกเลยถามว่าทำอะไรกันเหรอของเยอะแยะเลยมีคอมพิวเตอร์ด้วยพี่เขาก็บอกว่า ของน้องเด็กใต้คนนั้นที่มาอยู่ใหม่นั่นแหละไม่รู้มีอะไรอยู่ๆก็ออกไปกลางดึกประตูห้องก็ไม่ปิดพี่เขาเห็นแล้วกลัวของจะหายก็เลยโทรไปบอกน้องน้องเขาบอกว่าจะย้ายออกแล้วให้พี่ช่วยเอาของออกมาจากห้องนั้นให้หน่อยแล้วเขาจะมาขนไปพี่เจ้าของก็เลยต้องเอาคนมาช่วยกันขนของออกมาเราจึงไม่ถามอะไรต่อ ตอนนี้เราเริ่มสงสัยหนักมากขึ้นว่าห้องนั้นมันมีอะไรกันแน่แม้แต่ห้องข้างๆก็ยังอยู่ไม่ได้เช้าวันหนึ่งเราได้มีโอกาสไปถามพี่วินโมอเตอร์ไซค์ใกล้ๆหอพักแล้วถามเขาว่าพี่เขาอยู่ที่นี่มานานหรือ ย, ยังพี่เขาก็ตอบว่าโอ้ยอยู่มาตั้งแต่เกิดแล้วน้องจึงขอร้องพี่เขาช่วยเล่าประวัติของหอนั้นให้หน่อย ว่ามันเคยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทำไมคนที่มาอยู่ถึงอยู่ได้ไม่นานอยากรู้เหรอมามาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเมื่อก่อนที่ตรงนี้นะ่ะมันเป็นผับผับหนึ่งเจ้าของเขาเปิดที่ชั้นหนึ่งกับชั้นลอยส่วนชั้นบนก็สำหรับเจ้าของและพนักงานร้านอยู่ผับนี้คนมาเที่ยวเยอะมากเจ้าของจริงๆเขาไม่ค่อยอยู่ มักจะไปต่างประเทศบ่อยๆแล้วให้เมียคุมกิจการให้เมียเขาทั้งสวยขาวตัวเล็กมีผู้ชายเมื่อชื่นชอบอยู่มากวันหนึ่งเจ้าของกลับมาจากต่างประเทศโดยไม่ได้บอกเมียของเขาพอมาถึงที่ห้องก็เห็นว่าเมียเขากำลังอยู่กับชูจากนั้นก็เกิดการทะเลาะ ก, กันเสียงดังแล้วก็เงียบไปไม่นานนัก ก็ได้ยินเสียงรถพยาบาลเข้ามาคนก็พากันแห่มาดูหนึ่งในนั้นก็มีพี่อยู่ด้วยพี่เห็นและจำได้ติดตาเลยว่ามีศพผู้หญิงนอนอยู่ตรงบันไดลอยเลือดเลอะพื้นอยู่เต็มไปหมดรอยนั้นลากยาวมาจากหน้าห้องที่ชั้นสามเหมือนกับว่าเธอพยายามลากตัวเองลงมาขอให้คนช่วยที่ชั้นล่างแต่สุดท้ายก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหว และเสียเลือดมาจึงขาดใจใตายอยู่ตรงนั้นเลือดหยดไหลลงมาเป็นทางตามขั้นบันไดกลิน่นคาวเลือดเหม็นคลาคลุ้งไปทั่วเมื่อดูจากสภาพศพก็เห็นว่าเธอโดนแทงลายแผลมากต่อมาตำรวจก็สรุปได้ว่าสามีของเธอเองเป็นคนฆ่าแต่ก็จับตัวมาดำเนินคดีไม่ได้คิดว่าคงจะหนีออกประเทศไปแล้ว หลังจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นผับแห่งนั้นก็ปิดไปต่อมาคนก็มาเช่าตึกนี้ทำธุรกิจไม่ว่าจะกี่รายที่มาทำก็เจ๊งกันหมดคนแถวนั้นล่ำลือกันว่านางเฮียนมาทาั้งทั้งนี้ตึกนี้ไม่มีใครอยู่แต่ก็มักจะมีคนเห็นผู้หญิงยืนอยู่ที่ระเบียงห้องชั้นสามอยู่เสมอมีเพียงแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวเท่านั้นที่ยังอยู่มาได้ถึงตอนนี้ เมื่อพี่วินมอเตอร์ไซค์เล่าจบเราก็ขอบคุณเขาที่ช่วยคลายความสงสัยของเราที่มีมาโดยตลอดแต่เราก็ยังอยากรู้ว่าทำไมน้องเด็กตายถึงหนีออกไปตอนกลางคืนทั้งๆที่เขาพักอยู่ห้องอื่นจากที่คุยกับน้องเขาครั้งก่อนเราจึงได้รู้ว่าน้องเขาเรียนนิติศาสตร์เรากับเพื่อนชวนกันไปที่คณะ เพื่อที่จะไปถามน้องเขาด้วยความเป็นห่วงพอไปถึงก็ได้เจอน้องนูจริงๆหลังจากทักทายกันเสร็จแล้วเราจึงถามน้องเขาไปว่าเกิดอะไรขึ้นน้องนูเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเขากำลังนอนเล่นอยู่บนเตียงไฟในห้องปิดหมดแล้วเหลือเพียงโคมไฟที่เปิดไว้อยู่ปลายเตียงขณะที่เขากำลังเคลิมจะหลับก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่า มีอะไรบางอย่างกำลังคลานขึ้นมาหาเขาเมื่อลืมตามองก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงไม่ใส่เสื้อผ้าเธอหน้าตาขาวซีดที่คอมีรอยเหมือนถูกมีดบาดเป็นรอยใหญ่และยาวเธอค่อยๆคลานขึ้นมาทับตัวของน้องเขาตอนนั้นน้องนุกกลัวมากพยายามจะลุกแต่ก็ลุกไม่ได้เพราะผีตนนั้น มาทับอยู่ที่เอวของเขาเธอจ้องมองน้องนุเอียงหัวไปซ้ายทีขวาทีแล้วก็ยิ้มไปด้วยสักพักเธอก็หายไปพอน้องเขาลุกได้ก็เลยวิ่งหนีออกมาแบบไม่คิดชีวิตโดยเปิดประตูห้องทิ้งไว้อย่างนั้นจนเจ้าของหอมาเจอน้องนุยังบอกอีกว่าก่อนหน้านั้นก็ได้ยินเสียงหัวเราะ แต่คิดว่าเป็นห้องค้างๆก็เลยไม่ได้สนใจอะไรด้วยความสงสัยเราจึงบอกน้องไปว่านางอยู่ห้องส0มูนหนึ่งนะทำไมน้องถึงเจอได้น้องนุ ก, ก็บอกว่าไม่รู้ล่ะพี่แต่ผู้หญิงคนนั้นน่ะมาขึ้นคลอำผมจริงๆนะสาบานได้หลังจากวันนั้นห้องพักราคาถูก2500อบาทก็ลดเหลือ1000พบาทแต่ก็ไม่มีใครมาเช่าอยู่อีกเลย พัดสิอง